มักในฐานะหลักปฏิบัติที่เนื่องด้วยสังคมดูก่อนอานน์ความมีกัลยาณมิตรมีกัลยาณสหายชอบคบหากัลยาณชนนี้เท่ากับเป็นพรมจรรย์ทั้งหมดทีเดียวเพราะว่าผู้มีกัลยาณมิตรพึงหวังสิ่งนี้ได้คือเขาจักยังอริยะอัสดางคิกรมักให้เกิดมีเขาจักกระทำได้มาก ซึ่งอริยะอาสดางกิกรมักคำว่ากัลยัญนมิตรมีได้หมายแค่เพียงเพื่อนสามัญแต่หมายถึงใครก็ตามซึ่งอาจเป็นพระาศาสดาครูอาจารย์มิตรตลอดจนหนังสือและสื่อมวลชนต่างๆที่ช่วยแนะนำให้ความรู้ให้ความคิดชี้ช่องทางความประพฤติปฏิบัติเป็นต้น ภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพานิมิตฉันใดความมีกัลยาณมิตรก็เป็นตัวนําเป็นบุพานิมิตแห่งการเกิดขึ้นของอริยะอาสดางคิกามักแก่ภิกษุฉันนั้นอุตตโพธพ์นี้แสดงถึงการยอมรับความสําคัญของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในฐานะสภาพแวดล้อมทางสังคม ว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่จะชักนำและส่งเสริมให้เกิดมีการประพฤติปฏิบัติหลักธรรมในพระพุทธศาสนาสแสดงให้เห็นว่าระบบการดาเนินชีวิตระบบจริยธรรมหรือระบบการประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาเนื่องด้วยสังคมไม่แยกต่างหากจากสังคมภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์อุทายอยู่ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพานิมิตชันใดความถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนาสิการคือการทำใจโดยแยกขายหรือการรู้จักคิดพิจารณาตามสภาวะและเหตุผลก็เป็นตัวนำเป็นบุพานิมิตแห่งการเกิดขึ้นของอริยอัสดางคิกรรมะแกภิษุชั้นนั้นภิษุพูดถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนัสิการพึงหวังสิ่งนี้ได้ คือจากเจริญจากทำให้มากซึ่งอริย a า a d ด a ง ก, กิก g g a m พุทธพจน์นี้ให้ความคิดว่าแม้ว่าปัจจัยทางสังคมจะมีความสำคัญมากแต่ก็ต้องไม่มองข้ามความสำคัญของปัจจัยภายในตัวบุคคลปัจจัยที่ดีงามทั้งทางสังคมและภายในตัวบุคคลต่างก็สามารถเป็นจุดเริ่มซึ่งทำให้เกิดความประพฤติปฏิบัต และการดาเนินชีวิตที่ถูกต้องได้ความจริงทั้งสองอย่างนั่นแหละย่อมช่วยหนุนและเสริมซึ่งกันและกันหลักการนี้แสดงว่าการปฏิบัติชอบหรือชีวิตที่ดีงามเกิดจากการปรุงผสมผสานปัจจัยทางสังคมและปัจจัยภายในตัวบุคคลเข้าด้วยกันและการก้าวหน้าไปในมรกคาแห่งความดีงามสู่จุดหมายแห่งชีวิต จะเป็นไปได้อย่างสมฤทธิผลมากที่สุดหากได้อาศัยปัจจัยสองอย่างนี้คอยอุดหนุนค้ำชูกันอยู่เรื่อยๆไปแต่พึงสังเกตว่ามีข้อเน้นพิเศษสำหรับปัจจัยทางสังคมคือความมีกัลยาณมิตรซึ่งพิเศษกว่าปัจจัยภายในตัวบุคคลที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการลาวคือ ท่านยกให้ปัจจัยทางสังคมนั้นมีค่าเท่ากับการปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าพระมรรจันทร์ทั้งหมดทีเดียวทั้งนี้เพราะว่าสำหรับมนุษย์ทั่วไปโดยส่วนใหญ่การปฏิบัติชอบหรือชีวิตที่ดีงามหรือมรคาแห่งอริยชนนั้นจะตั้งต้นขึ้นได้ก็ด้วยอาศัยปัจจัยทางสังคมปัจจัยดีงามทางสังคมนั้น เป็นทั้งเครื่องจุดชนวนความรู้จักคิดที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการในเบื้องต้นและเป็นเครื่องประคับประคองคอยเสริมเติมและกระตุ้นโยนิโสมนสิการนั้นในระหว่าง9เดินคืบหน้าต่อๆไปทั้งนี้จะมียกเว้นก็เฉพาะแต่อาจฉริยะบุคคลซึ่งมีจํานวนน้อยเหลือเกินที่จะก้าวเดินไปได้ตลอดปลอดโปรง่งด้วยปัจจัยภายในตัวบุคคลอย่างเดียวล้วน คือสามารถริเริ่มโยนิโสมนสิการขึ้นเองแต่ต้นโดยไม่ต้องมีปัจจัยทางสังคมมาช่วยชักจูงและสามารถปลุกโยนิโสมนสิการขึ้นมาใช้ได้เรื่อยไปโดยไม่ต้องอิงอาศัยปัจจัยทางสังคมพุทธพจน์นี้จึงตรัสไว้เพื่อมุ่งหมายประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ผู้มีอินทรีย์ในระดับเฉลี่ยทั่วๆไปท่านว่า บุคคลปัญญาเลิศล้ำอย่างพระสัพพัญยูพุทธเจ้าและพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะสามารถเจริญปรีชาญาณด้วยลำพังยูนิโสมนัสิการอย่างเดียวโดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยทางสังคมเรื่องปัจจัยทางสังคมและปัจจัยภายในตัวบุคคลนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่จะกล่าวถึงโดยเฉพาะต่อไปอีกข้างหน้า